แต่ยังกแต่ก่อนแล้ว ม, มันไม่ค่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนวกว่อนโถพูดเพี้ยนคนนั่งตึงทีเดียวเลยมันไม่ขึ้นไฟเหลืองไม่ขึ้นไฟแดงทีเดียวเลยมันก็ว่าอะไรมันเหมือนกับกระอับตรงนั้นแล้วการงานอะไรเราก็ไม่ให้ทํานะเรารักษาถึงยกงานของใจงานภาวนาสําคัญมากอันนี้เป็นงานที่ฝังใจฝังนะิสัยเลย เราจึงไม่อยากเห็นจากพวก น, นั้นยุ่งเนี่ยทํานั้นทํานี่หาแต่งานหาแต่เรื่องเลยการเป็นพระนักธุรกิจไปแล้วไม่มองในหัวใจเนีพราอฉันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหางานนั้นมาทําหางานนี่ว่าทํางานภาวนาไม่ทําอันนี้ฝังหัวใจมากนะเสร็จแล้วภาวน า, าเดินยังกลมืส่วนมากสังหารแล้วต้องเดินมากดนั่งมันง่วง ฉันหันแล้วนี่พูดจริงๆผมไม่ไม่ค่อยนั่งนะไม่นั่งเพราะฉันจนแล้วล้างบาตล้างลายแล้วทะเลาะบาดจนมากไม่ค่อยได้ใส่และถ้าถ้าอยู่คนองเดียวไม่ใส่ไปวางไว้แล้วเข้า่าเลยถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องใส่แล้วจะพาไะกุติถ้าอยู่คนเดียวไปภาวนาลาพังแล้วไม่ใส่ที่ฉันกับที่กี่พักของเราต้องอยู่ด้วยกันออกเที่นี้ก็ไปนั่นเน่านั้นเอ ไปวางเงนปันเราเข้าป่าเลยเอาแล้วนี่นั่งไม่ได้ไม่ ง, วง่วอยิ่งชั้นอาหารวานข้ามีกับมากๆแล้วโว้ชูชกมันว่าที่ทันทีอะนะมั น, มนเป็นอยู่นั้นนะ่ะเป็นอยู่ในลิ้นในปากในท้องนั่นแหละเออลิ้นเ น, นีเ่ยสำคัญออันนั่นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอร่อยไปอร่อยมากก็เลยท้องป่องเห็นแล้วนั่งเดินอยู่มันก็จะหลับนั่ง พิดของอาหารมันทําให้ม่วงเหงาแนอนยิ่งอาหารพวกผัดผัดมันๆโดยแล้วโอ้ยกล่อมเลยชจ้าน ะ, ะถ้าอาหารประ ป, า, ปากก็เพิ่งทั่วนั่นเพราะฉะนั้นเวลาฉันสจริงต้องประเดินอย่างกุ้งมากมาพักกับพักนิดหน่อยแล้วนั่งภาวนาหรือตามปกติถ้าถ้ามันไม่หนาวนี่อย่างน้อยตั้งหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาตอนบ่ายตอนจากกรรมัะนอนขึ้นมาแล้ว อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงคือคือนั่งตามปฏิอาไส่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างนั่งก็ลงเดินละที่นี่นะเอาแล้วเดิน้งางหน้าหนาวนั้นทางวันไม่ก็นั่งมากมีดสงวนเวลาไว้เดินมากๆเพรากลางคืนมันลงเดินไม่ได้ถึงข น, นาดลงเดินไม่ได้จริงๆมันตัวมันแข็งไปหมดมันหนาวขนาดนั้นนะไอ้น้ําค้างนี่ ไม่ทราบว่ามันไปยังไงนะเ พ, พียงขนาดสามสี่ทุ่มแล้วโอ้ยเริ่มลงมานะน้ำค้างมันคือมันตกมาเกาะอยู่นบนใบไม้แล้วมันก็ตกลงมาเสียงปกปับปกปักปกปักพอดึกเท่าไหร่ยิ่งถีถีโอ้ยตีถีดีห้านี่เหมือนหาขนนะถียิบน้ำค้างแต่ก่อนแต่ทุกวัานี่ไม่เห็นมีวะ่ะมาะขนาดไหนมันก็ไม่เห็นมีแล้วก็เดินไม่ได้ดูนะ พอประมาณทักสองทุ่มต้องเดินเข้าเึ่นมันเข้าทีพระเส่นปลารำอย่างนี้เราก็เข้าแล้วไอ้มุ้งนี่มันเปียกหมดนะมันเปียกได้ยังไงดูสิพาทําเป็นปลารำอนี้มุงๆๆม้งแขวนกดกดแขวนเงี้ยมุ้งเปียกข้มานี่เปียกหมดจริงๆนี่แะมันเปียกได้ยังไงนั่นดูสิน้ำคา้างอ่ะเพรอท่านกดไอ้มุ้งผมเนี่ยจึงออกลาขึ้นลา ขึ้นรานี่มันน่าเบียดนะแต่ทั้งๆ ท, ที่มุ้งเรามันสะอาดอยู่มันน่าขึ้นราได้เห็นจรงพอฉันเสร็จแล้ ว, วนู่นแหะถึงจะได้เอามุ้งไปตากทุกเช้าทุกเช้าเลยมันเตียักหมดจริงๆนีแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นราจนได้เป็นจุดดําๆนี่นนพูดถึงความหนาวไม่ใช่นหนาวเฉยมันมีน้ําค้างด้วยเปียดมัดพอสองทุ่มนี้ ถ้า ก, ก้าวขาไม่ออกกันนะถ้าเราหงอยภากีวันเราหงอยเย็นเย็นไปด้วยกันเป็นน้ําไปด้วยกันนะจะเริ่มเป็นน้ําไปเละเย็นเขาเย็นข้าแล้วขามันแข็งเข้าไปละอ่าไม่ไหวนะเข้านั่นแหละที่นี่นั่งมากที่กลางคืนเพราะลงเดินไม่ได้นี่นั่งทอนะไอ้าบางคืนไม่ได้นอนตลอดรุ่งจริงก็ยังมีนะผมก็ขออภัยโอยปากนี่อะไรอะไรนี่มันแตกตกกะไหมดเลยตามคอตามแขนตามหน้านี่ ถึงขนาดนั้นนะนักนักห น, น้าหนาวอาวนาในป่าเป็นอย่างนั้นนะนาวขนาดนั้นนี้ก็เรานั่งที่พอเหนื่อยแล้วก็จะนอนนอนมันยังไม่หลับเียนะความหนามันหนาวมากแล้วหนาวมากเข้ามากเขา้ามันไม่หลับนี่มันมากถึงขนาดไม่หลับก็เราไม่มีผ้างห่มนี่ ใครจะเอาผ้าห่มไปสําหรับผมเองนี่ไม่เคยผ้ากระบงจีวรลังกาติผ้าอัน้ําเท่านั้นแหละจะหนาวมากหนาวน้อยก็ให้มันเท่านั้นนี่นั่นสิที่เวลามันหนาวมากๆมันนอนไม่หลับแม้เราก็กนุ่งขึ้นนั่งนี่สิพอคือเรานั่งนี่กิดเข้าข้างในมันก็ค่อยอบอุ่นอุ่นเดียวก็หายเรียบเงียบเลยพอพภาวนาเพลินก็เพลนิพลนความหนาว น, นี่หายหมดเลยนู่นตอนออกมาจากภาวนาทีนี้ก็เริ่มหนาลวละ พอไปลงนอนมันยังไม่ ห, หลับกระสินีความหนาวมันหนักเข้าน้าเข้าสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นนั่งอีก น, นั่นสว่างเฉยก็มีบางคืนไม่หลับเลยนั่งหลับไม่ได้นั่นหนาวขนาดนัน้นนะบางทีทุกวันนี้มันมันมีน้ําค้างหนาวก็มีนั่นมีด้วยนะน้ําค้างเนี่แหละคิดว่าได้ได้สงวนเวลากลางวันจึงต้องเดินมากๆเผื่อกลางคืนมันลมเดินไม่ได้ี่ มาทำเสร็จแล้วก็เดินได้จนกระทั่งนุ่นรุ่งเอ็นบงรุ่หรือเที่ยงถึงจะมาที่พักนอนกันนิ่เดียวมันไม่มากนั่งนะแทนที่ว่ากลางคืนไม่ได้นอนบางคืนมันนอนอไม่ไลันี่กลางวันมันจะนอนนองมากก็ไม่เห็นนั่นนะพอตื่นขึ้นมานั่งม่ได้เลยชั่วโมงอย่างมากเพียชั่วโมงเดียวเพราะเราต้องนอนเวลาไว้สําหรับเดิน ออกจานั้นก็ลงเลยอีกที่นี่เอาอีกเละจนทั่งปัดกวาดนะปัดกวาดของคนคนเดียวมันจะไปกว้างขวางอะไรแล้วอยู่คนเดียวเรามีบริเวณเฉพาะแต่ทางังคมในป่าวางทางงงที่เราพักมันมีแห่งไหนที่ควรจะเราทําที่ไหนกลางวันมันร่มที่ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นกลางวันไปเดินอยู่ตรงน้นตรงน้นตอนตอนเย็นเดินตรงนี้มันมีหลายแห่งคือหลบแดดหลบอะไรนั่นแหละแต่พอปัดกวาดเสร็จแล้ว ก็อาบน้ําถ้าอาบค่ำค่า ม, มันไม่ไหวนะมันหนาวมากนะต้องไปอาบแต่วันพอปัสกดเสร็จแล้วไปเลยประมาณสี่โมงเย็นน่ะอาบน้ำอาบไปลงไปตามนู่นน้ำมีอยู่ในคลองลึกบ้างหรือเช่นอยู่บนเขานี่มันก็ลงไปนู่นไปอาบขึ้นมาอย่างนั้นก็เดินมาที่นี่นะจนมาทั่งถึงเวลาที่มันมันจะเดินไม่ได้แล้วถึงได้ขึ้น บางวันมันมีเรื่องห่มผ้าทั้งกลางวันมันหนากวขนาดนั่นถ้าหากไม่มีไม่ใช่หน้าหนาอย่างนั้นเราก็เดินตามต้องการนั่งตามต้องการอี่ชั่วโมงก็นั่งมันได้สบายเลยเพราะกลางคืนเราเดินอย่างผมได้ถ้าหนาวจะต้องในสงวนี้เวลาไว้สําหรับเดินเพื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้เป็นอย่างนั้น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 เราคิดแล้วนะแม้แต่สถานที่น่าอยู่ก็ไม่อยู่โวงก็จะไปควรมันไม่ได้พอนาสะดวกเท่าไหร่ต้องไปหาอยู่ที่เขาไม่สนใจนั่นแหละบินท บ, บาทพอได้มาฉันนิดหน่อยแล้วพอเราไปหาเองปดัดส้ดานเจของอย่างให้เขาดัดช่วยสิเขามีางไงเขาก็ให้ท า, านเหมือนกันเท่ากับให้เขาดัดส้นดานช่วยมันพละมานช่วยเราไม่เป็นทานีม้มากกินมากกินมากแล้วขี้เกียจมากแล้วนอนมากดนะ้วย มันดีต้องหาดัดดัดดีเลยผมมีในพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าผมจะว่าผ ม, มใช้วัฒนธรามันหยากก็ถูกถ้าธรรมดานี่ผมไม่เรื่องนะพานานมันตอนน้องดัดจนๆนั่นนะมันไม่ช้ามไปยังไงธรรมดาอพูดภาษาตลาดเราก็เครือกินธรมนนธรมด า, ม า, ม า, านอนธรรมดาสมาสมาภาวนาธรรมดามบายไว้แล้วเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยผมทดลองดูมันหลายแง่หลาย มันไม่ได้เรื่องทำยังไงมันถึงจะได้เรื่องนั่นมันก็คึกคักกับที่จิตเดี๋ยวก็ไม่พ้นนะไม่พ้นดั่สันดาลลดนะ <c oughs> นนะฟาดเลยนี่ข้าวมาจนกินมันเอาไลยไงเอาอย่างไร <c oughs> เดินโซซัดโซเซดีอะนั่นะแต่พอจิตมันก้าวเข้าสมาธิแล้วมันก็ดีแต่มันก็ดีในขั้นสมาธินั่นะ เวลาพลังนี่ีมันหนักมากนะฝึกหัดล้มลุกคู่คานนี่โอ้โหหัดเจ้าของเนี่ยมันทรมานมากไปถึงขั้นสมาธิแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ขยเกิดขึนอีกเหมือนกันเรื่องทรมานนี่ไม่ถอยแหละคือการการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญมากสำหรับผมเองนะคพรว่ามันเป็นพระที่ อยากอยู่มากนิสัยบ้าสมัยนี้เพราะว่าอยากเพ อ, อยากอยู่มากธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงๆนี่นะมันต้องดูดัดถูกเด็ดลงไปแล้วจะมาสะดุปอันนั้นอันนั้นก่อนนั่นแหละได้แหละที่มสมาธิมันก็ะมันก็อยู่แค่สมาธิเฉียะดัดขับไปอีกมันจะมีแง่อันหนึ่งของมันให้เลยเป็นคติคติค ต, ติมันสะดุดขึ้นมาสะดุปขึ้นมา โน่นที่มันมันอะไรของมั น, นจริงๆเนี่ยก็คือว่าภาคปัญญาอย่าที่กล่าวตะกินเนี่ยภาคปัญญาอัตโนมัติน่ะอันนี้โอ้โหมันหมุ น, นมันตลอดแต่ชันมากชันน้อยมันก็เหมือนมันแต่มันรู้อีกนะเนี่ยคือเวลาเราชันธรรมดาธรรมดาเนี่ยการก้าวเดินของปัญญาประเภทนี้นะ่ะ มันจะมีลักษณะเชื่องช้ากว่ากันะมันให้รู้อยู่เฉยๆอย่างนี้จะไม่ให้เราดัดยังไงล่ะผู้ปฏิบัติที่ต้องสังเกตเจ้าของแท่านี้พอผ่อนอาหารลงไปหรืออดอาหารนี่ที่นี่มันโอ้มันยิ่งดีทุกมันผึงผึงผึงมันค้างตัวหมดเลยเหมือนกับมันร้อยคมพันคมนะถ้าเป็นมีดก็ดีอืมมันพูดไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆนี่ในวงน้ำหมูเพื่อนเดียวกันคุณกูพูดให้ฟัง มันบางทีจนแปลประหลาดเกิดความแปลกประหลาดนั้นจะของอาจารย์ของโถวทาไมปัญญาเวลามันมันนั้นเกิดมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่านี้ก็มีในบางครั้งโทษโถวมันมันหมุนขึ้นมาที่แหมไม่ทราบว่าร้อยสันพันคมหรือกี่หมื่นกี่แสนสันพันคมมันพัดอุกิเลสมันรวดเร็วขึ้ขนาดนั้นก็มือเป็นฉะนั้นมันกิเลสมันจะไม่หม่อมมันจะไม่ชลีหาได้ไงก็อันนี้มันออกสนามออกเวทีเต็มที่เต็มถาน เหมือนกับว่าเอาๆจิเลตตัวไหนเก่งมาที่นี่มามาเถอะคือมันคุยขี้หาานั่นสิจิเลตมันหมอบนี่เวลาถึงขั้นมันหมอบหมอบจริงนี่บางทีเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งหายเงี่ยมันมีอะไรหรอกเหลือมันตายหมดเหลือจิเลสนี่วะมันไปไหนทีนี้อะเวลามันดัดกูมันทํามันดัดนะกูจนน้าตาล้วงนี่ทีนี้กูจะฝานมันมันไปไหนนี่มันกูจิเลตมันไม่ใช่โง่ของโง่มันก็หมอบของมันนี่มัน แอบมันซัอนอยู่ไหนเราก็ไม่รู้คุ้ยเคียวขุดควนไปแล้วก็เจอพอเจอภาคก็ผัวเลยนะมันเร็วขนาดนั้นน่ะปัญญาขั้นนี้มันไม่ได้ห า, ไหาอะไรหาท่าหาทางอะไรว่าต่อสู้ท่านั้นท่านี้ไม่มีมนผึงเขเลยขาดาบัตรเลยนี่ถึงปัญญาขั้นที่ที่เหลนผมมันเป็นอย่างนั้นน ะ, นะไม่เคยเห็นไม้ก็เห็นทำหรัะผู้ปฏิบัติถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะกล้าเข้าสู่แบบนี้แหละไม่ไปไหน นี่จังหวัดปัญญาตโนมัสเกิดจากภาวนาไม้ปัญญาโดยแท้ร้อยเปเซ็นต์ไม่ไปหาออกมาจากอะไรเลยที่เกิดในตัวเองเกิดในตัวเองเป็นได้ในตัวเองฆ่ากิเด็ดไปในตัวในตัวในตัวของมันหมุนติ้งนี่อยงงูอย่งได้พูดเทียบกันกับว่ามันปัญญาขั้นนี้นั่นก็เหมือนกับว่าอโคกระบือที่เขาตีกลาไว้น่นตัวนั้นจะฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้น แล้วกิเลสนี่ก็เหมือนกันกิเลสอันนั้นอันนั้นนั้นจะจะถูกฆ่าวันเหมือนกับว่จะถูกฆ่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นคือมันแน่เลยทีเดียวทั้งทั้งที่กิเลสก็ก็ยังอยู่บนหัวใจนะแต่มันก็แน่ว่ามันจะพังให้หมดคือมันเชื่ออันนียเชื่อบรญญาประเภทนี้มันเป็นเองนี่ไม่เชื่อได้ไงอถ้ามันเมื่อมันเงียบทีนี่เหมือนกับว่ามันไม่มีกิเลสมันคุยเฉียวของมันโดยหลักธรรมชาติเดียวกันนะคุยเฉียวจนเจอเจอแล้วฟัดกันอีก ได้ยังงกันือมันจะเป็นทุกรายหรือไม่ทุบลายแต่สหรับผมนี่มันเป็นอย่างนั้นบางทีจนเวลามันเหนื่อยมันเพียมากๆนะอนี้ตกวิจารนะบางทีเคยพูดว่าไอ้ลมคร อ, อ่แต่ก่อนเราข้านหมายแล้วว่าเมื่อถอนมาคิดละเอียดเข้าไปทะเอียดไปเนล้วก็จะมีความสะดวกสบายการงานก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วสะดวกสบายเรื่อยไปเลย แล้วกับความจริงที่มันมาโดนเจอกันอยู่แถวนี้ทําไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้นน่ะนั่นฟังสินี่ทำไมว่าจิตละเอียดก้อละเอียดก็เห็นชัดๆอยู่นี่ฮนะละเอียดขนาดไหนนี่เห็นชัดๆอยู่นี้แล้วทำไมความเพียรมันยิ่งหมูนมันติวต๋วที่ไม่มีวันมีคืนนอนก็ไม่หลับบางคืนตลอดลุ่งเลยจะวา่าไงก็มันไม่ไมันไ ม, ไม่ไม่ปล่อยงานนี้ คืองานอันนี้ยังไม่เสร็จสู้กี่เดย ย, ย, ย, ยังยังยังยังไม่ได้แพ้เลยฉันยังไม่มีการแพร้า ก, ากันชนากันมันก็ฟัดกันอย่างนั่นเสินอนมันก็ไม่หลับตื่นขึนั่งขึ้นตื่นขึ้นมากับฟัดนอนลงไปนอนฟัดเอสุดท้ายก็เอาลงไปได้ก็ฟัดกันสุดท้ายก็แจ้งโอยแล้วการ น, นั่นเห็นไหมมันเป็นเองหมดนี่คือความจริงที่เราคาดว่าผิดทั้งเพยเลยที่ว่าหยิบแล้วเหยียบเข้าไปตะลายลเหยียบเข้าไปตลายก็ยิ่ง อ่าสะดวกสบายก็ไปเรื่อยๆอ้โอยาเลยแต่สําหรับผมนี่นะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่ออย่างนี้อืมพอมันถึงขั้นที่มันจะเอาแล้วมันต้องตักตวงนี่ยสิสาคัญมันถึงขั้นจะพอได้มันต้องตักตวงตักตวงตักตวงนี่คือกิตขั้นตักตวงสติปัญญาขั้นตักตวงคือขั้นเห็นภัยมากเห็นโทษของกิเลสมากเห็นคุณค่าของธรรมมากเห็นคุณค่าของความหุดพ้นมากเต็มหัวใจแล้วมันจะถอยไงมันเหลือชีดตจะตาก็ตายที่แต่จะไม่ถอยนั่นก็คือ นันก็เหนือชีวิตสินั่นแหละที่มันพาให้หมุนก็เพาะนี่เองเราก็ทราบไม่พอวิตกอย่างนี้แล้วนี่ทาไมเวลาเราคิดไ้คิดไปอย่างนั้นแต่เวลามาเจอกันเป็นความจริงนี่ทํำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันก็ว่าแต่พอหยุดวิตกภาพมันก็หมุนใส่กันอีกอะติ๋วเลยนะ น, น, น, น, ย น, น, นี่จนกระทั่งมาหาหมู่เพื่อนนี่หมู่เพื่อนเขาไปหาผมไม่ได้นะถึงขั้นนั่นก็มีนะคือมันเหมือนกับมันขาด ถ้าเป็นเขียนหนังสือเนี่ยก็ใครมาหาก็ตามปากกาจะต้องถือจ่ออยู่เนี่ยจะยังไม่เขียนก็ตามมือปากคุยก็อะไรเขาเรื่องอะไรแต่ปากกาจะจออ่อค่อย จ, จะเขียนนพอเขาหันหน้าป้าปกหันหลังให้ป้าปอกเอาเหลักเขียนเนี่ยนี่เหมือนกันมีใครมาหาก็เหมือนกับความเพียรนเราหยุดชะงักจ่อกันอยู่างงา น, น, นั่นไม่ต่อยไม่ตีก็จอ่อกันอยู่นั่นแล้วมีอะไรก็พูดเดี๋ยวเขาไปพับไข่หัวเลยะ ความเพียรหนี้ันเนกันเพราะนั้นจริงมันอยู่กับใครไม่ได้กว่าความเพียรขั้นนี้มันเป็นเองทั้งหมดอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นหมุนกันทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางคืนกลางวันไม่ว่าทั้งนั้นแหละนี่ถึงขั้นที่ว่ามันอยู่กับใครไม่ได้มันมีนี่ผมเคยเล่าฟังบางที่ผมไปนั่นท่านเจตุลย์ทำาุญเจดีย์ที่วิชาญาของผมขอไปด้วยผมจะไปทางเพ่มเพิ่มเขจะไปด้วยเขาจะไปด้วยหรือว่าง ตูกลงทั้งกับไปขัไปเขาบอโอ้ยที่เราไงไอ้เรามันยังงี้จิตมันไม่ได้อยู่ที่ถอยเลยถ้าไปแล้วเราไปทำทนันทีงรงโน้นทําทแล้วคเอยจะไปเดินบัวไปเดินจําหยอกไปเยู่เที่ยแล้วเราไปทำตรงโน้นอีกทําไปอูด้ดเ อ, อยไปดูแล้วบัวทานทีตรงนั้นดีนะ่อาจะไปเดินบัวไปเดินไม่ได้เรื่องนลยชุดท้ามก็ข้า ม, มันน้าทอนลําทอนนีนน่นไปอยู่งุ่น ไปทำนู่นแล้วนี่จะฟวดมันเต็มที่นะให้ืงไก่เห็นแต่แจ้งว่าเวลาทำอาหารจะมาฉันกับท่าน่นี้เสร็จแล้วทั้งวันทั้งคืนเลยอย่นั้นเลยถ้าฉันน่ะพอเสร็จแล้วท่านก็ไปดูอีกแล้อไปดูคราวนี้ได้เรื่องอื่นขึ้นมาได้เรื่องอุยบวอยตรงนั้นไม่ดีอะว่ะค่อยไปแล้วตัวแมลงนี่เต็มหมดว่ะทีนี้เปียวนะบัวเปียวนะว่ะไปอย่างั้นนีกนะไม่ดีอะค่อยไปดูแล้วบัว สุดท้ายจะไปได้หรอเราก็เลยไม่ได้ไปถ้าจะฝืนนั่นไปก็ยังไงนี่แหละมันน้าําบากนี่แหละแต่ท่านไม่เห็นในหัวใจเราหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจท่านเป็นยังไงมันต่างกันอย่างเราแน่ใจเลยว่ามันต่างกันยังไงเมื่อมันนั่นแล้วเขาไปจวลาไปทางอะไรเขาเรียกถ้าอะไรนะทางถ้าพระทางทางบ้านกลางบ้านอะไรอย่างนี้ทำเขาเป็นโรคระบาดกันบัวเพราะอี๋ ไม่มันไม่ดีกันเขาเป็นโรคระบาดโรคอะไรนะท่านผู้ท่านรู้อะไรท่านแล้วสุดท้ายเราก็ลาท่านสิคือเราไม่สะดวกในการประกอบความเภียนเนี่ยพูดง่ายๆนะทําท่านคนในป่าท่านความจริงแล้วท่านกลัวท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปมันลึกมากกลัวเสือกลัวอะไรไปอย่างนั้นน่ะท่านน่ะ อันนี่หาบายไปเดินดีกว่เข้าวจไปเดินมันบัวจะเดินนี่ไปเดินจะออ ก, ก, ก, กอยากนั้นต้ก็หยุดเที่นี้เวาลาท่านอยู่แล้วเราจะไปเดินมันยังไงมันไม่เหมาะเสียความโรภเพราะท่านว่าข้าวจะไปเดินมันบัวนั่นข้ามไปนู่นสิตอนนั้นจะเอาจริงเาจังนั้นไปอีกแบบหนึ่งเราก็ทราบชัดอย่า ง, างไงไม่ดีแล้เวลาท่านออกนี้ทีนี้ท่านเปิดออกมาแล้วนี้ โอ้ยบวยค่อยกลับไปอุดรแล้วเจ้าก็บสบายะ บ, บุวงวัวโคกสัยวันหาเราใครมันก็ไม่ถอยล่าเลยไปเลยหนีเลยมันจะได้มาฟัดกันอยู่เต็มที่อยู่ที่ทางขมบนคลองอยู่คนเดียวมันสนุกเลยทีทั้งวันตั้งคืนนีที่ว่ามันถึงขั้นมันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้นะคือมันขาดงานของเรางานอันนี้ต้องติดต้องต่อกันตลอเวลายุ่งกับอะไรไม่ได้แฉกคนมาหาไม่ได้ ถ้านเนร์มาหาไม่ได้ยุ่งไม่ได้มันเสียเวลานะมันเป็นเองมันงานนี้เป็นงานอาาัตโนมัติเป็นงานที่ว่าเข้าได้เข้าเข็มก็ถูกอะไรก็ถูกมันจึงไม่เห็นว่าอะไรสําคัญยิ่งกว่านี่ยิ่งกว่านี่หนักนี่ก็แปลอยู่นนะที่เราว่ามันหมุนเนี่ยวมื่อไรมันจะอยู่ได้สักพีมันทำไมเป็นอย่างนี้นาะนเวลาความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทําไม เมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีนะมันทำไมจะมีคนจะตายแล้วนี่น่ะจะของจะตายแล้วก็จะลุกหมดเวลามันไปสุดฉีดความสามารถทั้งมันแล้วมันก็แบบไม่คาดไม่ฝันเหมือนกันนะมันแปลกยู่นะนี่แหละที่มันทํางานทํางานอย่างที่ว่าไม่มีหลับไม่ตื่นแม้กทั่งนอนก็ก็ไม่หลับตลอดลุ่งเพราฟัดกันไม่หยุดแล้วเวลามันไปสุดกําลังความสามารถทั้งมัน แล้วมันอยู่เฉยเฉลินเนี่ยสิตั้งที่ทิ้งอ่ะไอ้เรื่องที่หมุนติ้วที่นั้นไปไหนหมดก็ไม่รู้นะแล้วอยู่แบบเซิบเฉียวซาซาเดิยังกงก็ไปเล่นกับยิ่งกุกยิงกาเล่นกับนกกับกาปะไรไม่ได้เรื่องเดินยังคงก็ไม่ได้เรื่องอ่ะมันเป็นนี้เลยไม่ได้เรื่องก่กั้งทุกวันเนี่ยมันไปเล่นกับยิงกาเขาเห็นยิงกาก็เล่นยิงกาเห็นเห็นอะไรสัตว์เออไปเล่นกับมันอยู่เสียแต่มันหลักใหญ่มันมีอยู่ ก็คือว่าความเมตตาไม่เล่นด้วยความขนงะหลักใหญ่มันจริงๆคือความเมตตาเห็นตัดเห็นอะไรอะไรมันวิ่งเข้าไปถึงใจดวงนั้นเลยนะเนี่ยเห็นอะไรก็ตามพวกสัตว์นนั้มันวิ่งเข้าไปถึงจิต ด, ดวงนั้นโอ้จิต ด, ดวงนี้มันมาได้ทุกอย่างพาให้เกิดได้อย่างนี้พาให้เกิดได้อย่างนี้เอสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรๆมีแต่จิตเข้าครองเข้าคลองเข้าคลองหมดหมดไง แล้วอะไรเข้าคลองจิตจิตถึงได้มาเป็นอย่างนี้มันวิ่งถึงกันหมดหรือว่าอะไรเออมันเหมือนกับว่าเอาอยู่พระก่อนนะตามบุญตามกรรมตะก่อนอันนี้จังมันไม่เที่ยงอหมดมันแล้วมันก็จะมีการผ่านพ้นไปได้เหมือนกันน่ะเนี่ยมันเป็นมันเป็นอยู่ในการเล่นกับมันมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ออกปากพูดมีลักษณะะ ทุกวันไม่นด้เรื่องอะไรแล้วภาวนาก็กาวนาไปงั้นนอกจากมันมีเรื่องอะไรจะมามาสัมผัสนะถ้ามีเรื่องอะไรมาสัมผัสมันยับเรื่องอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่เข้าใจนี้มันจะมันจะหมุนติวตามหน่อยนะเอาจนรี้ค่ะดูจนเห็นเห็นผลชัดแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยแล้ะปล่อยหาเนี้ยไปเลย ถ้ามันยังมีอะไรอย่านี่มันจะตามมันอันนี้เป็นเองอีแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องการถอดการถอดกิเลสนั่นเป็นเรื่องทำทั้งหลายอันต่างๆเรื่องราวต่างๆต่างๆน่ะไม่ใช่เรื่องของปิดของกิเลสนั่นหมายถึงคุณมากกลางวันก็คูนมากเมื่วานนี่ก็มากวานนี่ทั้งวันตอนบ่ายๆมากับระป้ายห่างๆไม่ขาด วันนี้ก็เหมือนกันบางบางพวกตอให้ขึ้นไปสองสามนาทีมาเมาอะไรวะโอ้บางรายก็บอกม า, มาชมบา ร, รมีบา ร, รมีอะไรคนกำลังจะตา ย, ยานี่เดี๋ยวคนบา ร, รมีแล้ว <c oughs> เอากาบเสียอะไรกาบไปนี่ไปวะไล่เลย <c oughs> คนบา ร, รมีคนจะตายอยู่นี่เดี๋ยคนบา ร, รมีแล้วเ <c oughs> ขาก็จะว่าไงเขาก็ยิยิ <c> ้ม <oughs> ให้หลวงพอ่อผีบ้าเลยว่าก็งงจะว่ามาชมบรารมี่บรารมีอะไรคนกําลังจะตายเหรือคนบรารมีเรือวะ <c oughs> ่าไปพระวตายพระละ <c oughs> ชมได้ไม่ใช่หรือวะ <c oughs> แล้วไร่กลมยุ่ง <c oughs> จะหมดแล้วมั่งนรือะไร <c oughs> เรื่องข้อภารรษากระพราเขา้าใจกันมาคือเข้อภารรษาเนี้ยก็หมายถึงแค่อยู่ประจําไม่ไปข้างคืนที่ไหน นแต่มีความจำเป็นที่ควรสัตตหะก็ไปได้ภายในเจ็ดวันแล้วกลับมาวัดในพระวินัยท่านบอกไว้อย่างละเอียดถ้าไม่มีธุระมีจำข้อจำเป็นที่ควรจะสัตตหาได้ก็ให้สัตตหะถ้ามีความจำเป็นก็สัตตหาได้ทพ่หลวงชาอาจารย์ป่วยเป็นต้นหรือวัดวาอาวัตรทะลุดชุกโฉมาก าหาไม้มาซ่อมอัไ น, นี้ก็ได้ก็อันใดที่ที่สมควรจะอันรวมเข้ากันได้สมคว้ากันได้ก็ข้างก็รวมตามนั้นท่นบอกไว้นี่ไปได้เจ็ดวันแล้วมาข้างที่วัดอย่างน้อยหนึ่งคืนจะก่อนสัตหะไปอีกได้อีกเจ็ดวันหรือไปเรียนปฏิโมก ตำแหน่งอื่ น, นี้ในวัดไม่มีพระปฏิโมกแล้วไปเรียนเนี่ยเหมือนกัน mm hmm. ก็ญาให้ไปได้เจ็ดวันแล้วกลับมากลับมาค mm hmm. ือมาค้างที่วัดเราอย่างน้อยหนึ่งคืนเอาไปได้อีกไม่มีกําหนดว่าสัตหักี่ครั้งแล้วแต่เหตุการณ์นั้นจะผันผวนเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นทำไม่เยู่นั้นแล้วท่านห้ามให้ไปจําันตราบ ว่าไปค้างคืนที่ไหนนี่อั น, น, นที่เป็นของสําคัญแล้วในพรรษาจีนี่ก็เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดกับ ก, การประกอบความภาพเปี่ยนแล้วปกติวัดนี้ก็ไม่ให้มีการกอร่อสร้างอะไรอยู่แล้วเราไม่ทําอะไรให้พระเลยทําความภาพเปลี่ยนด้วยความสะดวกสบายโดยที่จะพูดถึงเรื่องแต่ตามหลักธรรมก็ถูกหรือตามหลักนิสัยต่ออาศัยของเรา ที่เห็นว่าไม่ผิดดะดำเนินมาอย่างนั้นแล้วอันนี้รู้สึกว่าเป็นเครื่องสังใจและพอใจมากในการประกอบความเพียรที่ไม่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนี้พาหมูดำเนินอย่างนี้ก็ถูกอารา่นานะเดีเ๋ยสามทุ่มหรือไหนนี่แล้วทุ่มแล้วประชุมนะเสามทุ่